ช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จึงมีธรรมเนียมในการส่งสอคสอคือส่งความสุขให้แก่กันและกันการจะส่งความสุขให้แก่กันและกันได้เราต้องมีความสุขก่อน ถึงจะส่งความสุขไปให้แก่ผู้อื่นได้การจะมีความสุขเราก็ต้องรู้ว่าในโลกนี้มีความสุขกี่แบบและการสร้างความสุขในแต่ละแบบนั้นสร้างขึ้นมาได้อย่างไรเราจึงต้องมาฟังวิธีสร้างความสุข จากพระพุทธเจ้ากันเพราะไม่มีใครรู้จักวิธีสร้างความสุขได้ดีกว่าพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าความสุขที่มนุษย์เราสามารถมีกันได้นั้นมีอยู่สองแบบด้วยกัน ความสุขแบบของผู้ครองเรือนและความสุขแบบของนักบวชมีสองแบบด้วยกันสุขของค้ารหัสผู้ครองเรือนและสุขของบรรพชิตนักบวชวิธีสร้างความสุขทั้งสองแบบนี้ก็มีความแตกต่างกันไป พอเป็นความสุขที่มีความสุขมากน้อยต่างกันไปและสั้นยาวต่างกันไปวิธีสร้างความสุขของผู้ครองเรือนเป็นความสุขที่น้อยกว่าความสุขของนัก บ, บวชแต่เป็นวิธีที่ง่ายกว่า วิธีการสร้างความสุขของผู้คลองเรือนจะง่ายกว่าวิธีสร้างความสุขของนักบวชจึงมีผู้ที่เป็นนักบวชกันน้อยเพราะยากต่อการสร้างความสุขจะเป็นขาหัสผู้คลองเรือนกันมากกว่าเพราะสร้างความสุขได้ง่ายกว่า แต่ความสุขที่ง่ายกว่าของผู้ครองเรือนี้ก็เป็นความสุขที่สั้นกว่าไม่ยาวและไม่หนักแน่นเท่ากับความสุขของนักบวชความสุขของนักบวชนี้จะหนักแน่นจะมีความเยื่ยืนยาวมากกว่ายาวนานมากกว่าแต่เป็นการสร้างที่ยากกว่า ยังไม่ค่อยมีผู้ที่จะออกบวชกันแต่ถ้าได้ศึกษาได้เปรียบเทียบแล้วก็อาจจะเกิดความศรัทธาเกิดความยินดีที่จะออกบวชต่อไปก็ได้เพราะผู้ที่ออกบวชก็เป็นผู้ที่มาจากผู้คองเือนก่อนนั่นเอง ที่ออกบวชก็เพราะว่าหลังจากที่ได้เปรียบเทียบความสุขทั้งสองรูปแบบแล้วก็เห็นว่าความสุขของนักบวชนี่ดีกว่ายืนยาวนานกว่าก็ออกบวชต่อไปดังนั้นวันนี้เราจะมาศึกษาวิธีสร้างความสุขทั้งสองรูปแบบนี้กันความสุขของผู้คองเรือ น, นี้ พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่ามีเหตุสี่ประการด้วยกันที่ทำให้เกิดความสุขของผู้คองเรือนขึ้นมาเหตุข้อที่หนึ่งก็คือความสุขที่เกิดจากการมีซัพ์หรือได้ซัพ์ได้เงินทองข้อที่สองความสุขที่เกิดจากการได้ใช้ซัพ์ได้ใช้เงินทองที่หาได้มา ข้อที่สามความสุขของผู้คลองเรือนเกิดจากการไม่เป็นหนี้เวลาเป็นหนี้แล้วมันจะไม่สบายใจเวลาไม่มีหนี้แล้วมันจะสบายใจแล้วข้อที่สี่ความสุขที่เกิดจากการกระทาที่ไม่เป็นโทษถ้าทำอะไรแล้วเกิดโทษขึ้นมาก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานั่นเอง ถ้าทำอะไรแล้วไม่เกิดโทษก็จะไม่เกิดทุกข์เมื่อไม่เกิดทุกข์ก็เป็นความสุขอีกอย่างนี่คือความสุขสี่ประการด้วยกันของผู้คลองเรือนที่เราควรจะมาศึกษากันว่าจะทำให้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์นี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ก็มีสองมีสองวิธีหลักๆที่เกิดขึ้นได้คือหนึ่งถ้าเกิดมาแล้วไม่มีทรัพย์คือเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนก็ต้องไปหาทรัพย์ไปเรียนหนังสือไปหาความรู้ก่อนเมื่อหาความรู้แล้วก็จะสามารถไปสมัครงาน ไปทำงานได้พอมีงานทำก็จะมีเงินเดือนมีรายได้อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งสำหรับการมีทรัพย์อีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าได้มาเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยเกิดในครอบครัวที่มีเงินทองอยู่แล้วอันนี้ เกิดมาเพราะอะไรถึงทำให้มาเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยก็เกิดมาจากการที่เราได้ทำบุญมาในอดีตถ้าชาติก่อนเราเคยทำบุญทำทานไว้เงินทองที่เราทำบุญทำทานนี้ก็จะเป็นเหมือนเงินทองที่เราไปฝากไว้ในธนาคารพอเรามาเกิดเราก็สามารถไปเบิกเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารได้ เช่นมาเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยครอบครัวที่มั่งคัง่งอย่างพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระเวชสันดรพระองค์ก็ทรงทาบุญอย่างมากมายพอหลังจากที่ตายไปแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์พอออกมาจากสวรรค์ ามาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมาเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองรออยู่เพราะว่าเป็นผลของบุญที่ได้กระทำไว้ในชาติก่อนในสมัยที่เป็นพระเวชสันดอนนี่คือวิธีที่ทำให้เกิดทรัพย์โดยที่ เป็นความสุขล้นลวนไม่เป็นความทุกข์ไม่มีความทุกข์ผสมมาด้วยถ้าเราไม่ได้ทำบุญมาก่อนเราก็อาจจะมาเกิดในครอบครัวที่ไม่ร่ำรวยเราก็จะเป็นที่จะต้องรู้จักหาเงินหาทองการหาเงินหาทองก็ควรจะหาแบบที่ไม่เป็นโทษไม่เป็นทุกข์เพราะการหาเงินนี้ก็มีสองแบบ หาเงินแล้วทำให้เกิดทุกข์หาเงินแบบไม่เกิดทุกข์วิธีที่หาเงินโดยไม่เกิดทุกข์ก็คือต้องทำงานทำการมีอาชีพสุจริตการจะมีอาชีพมีรายได้ก็ต้องมีวิชาความรู้ก็ต้องไปโรงเรียนเรียนหนังสือถ้ายังยังเป็นเด็กเป็นนักเรียนอยู่ก็พยายาม เรียนหนังสือเรียนให้มากๆเรียนให้สูงสูงเพราะยิ่งเรียนยิ่งสูงเวลาหางานทำก็จะหางานได้ง่ายกว่าและรายได้ก็จะดีกว่านี่เป็นวิธีมีทรัพย์วิธีที่มีความสุขได้โดยไม่มีความทุกวิธีที่มีทรัพย์แต่เป็นวิธีที่ไม่ถูกเป็นวิธีที่ แทนที่จะมีความสุขกับจะมีความทุกข์ก็คือวิธีหาทรัพย์โดยมิชอบหาโดยวิธีทุจริตถึงแม้ว่าจะได้ทรัพย์มาแต่จะมีความทุกข์มีความวิตกกังวลเพราะจะกลัวจะถูกจับไปลงโทษถ้าถูกจับก็อาจจะถูกยึดทรัพย์ที่ได้มาโดยมิชอบ เช่นไปป้นเงินในธนาคารไปป้นเงินตามร้านขายทองไปรักทรัพย์ถ้าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวไปก็จะต้องถูกยึดทรัพย์แล้วก็จะถูกจับไปลงโทษวิธีนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะทำให้มีความสุขถึงแม้ว่าจะได้ทรัพย์ถึงแม้จะมีทรัพย์แต่ก็จะทำให้ กิดความทุกข์ตามมาดังนั้นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงวิธีการมีทรัพย์วิธีหาทรัพย์วิธีได้ทรัพย์มาโดยวิววธีที่ไม่ชอบผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเพราะว่าจะมีโทษตามมาโทษนั้นก็มีอยู่สองชั้นด้วยกันชั้นแรกก็คือ ในขณะที่มีชีวิตอยู่เวลาทำผิดแล้วใจก็จะทุกข์ใจจะไม่สบายใจแลถ้าถูกจับไปลงโทษก็ยิ่งจะมีความทุกข์ใหญ่ต้องไปติดคุกติดตารางแล้วก็ยังมีโทษชั้นที่สองตามมาโทษทุกข์ที่เกิดจากเวลาตายไปผู้ที่ทำบาปทำผิด กฎหมายทำผิดศีลธรรมมันจะต้องไปรับโทษในอบายหลังจากที่ตายไปแล้วร่างกายตายไปแต่ใจผู้กระทำบาปไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจผู้กระทำบาปนี้แหละที่จะต้องไปรับโทษต่อไปจะต้องไปเกิดในอบายสี่ที่ด้วยกันไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปเกิดเป็นเดลฉานบ้าง ไปเกิดเป็นอรูรกายบ้างไปตกนรกบ้างนี่คือการมีทรัพย์โดยวิธีที่ไม่ชอบแทนที่จะเกิดสุขก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมาแทนวิธีนี้พระพุทธเจ้าสงสอนอย่าไปมีทรัพย์แบบนี้ให้มีทรัพย์โดยที่ไม่เกิดโทษก็คือถ้าไม่ได้ทำบุญมาในอดีตชาติ ไม่เกิดมาแล้วไม่ร่ำรวยก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการที่จะศึกษาหาความรู้แล้วมีความรู้แล้วก็เอาความรู้นี้ไปทำมาหากินหาเงินหาทองต่อไปอนี่คือความสุขขั้นที่หนึ่งชนิด วิธีแรกวิธีที่หนึ่งคือความสุขจากการมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์มาวิธีที่สองเมื่อเรามีทรัพย์แล้วเราก็สามารถที่จะมีความสุขเพิ่มขึ้นได้ด้วยการใช้ทรัพย์ถ้ามีทรัพย์แล้วไม่ใช้ทรัพย์เราก็จะไม่ได้รับความสุขเพิ่มขึ้น ถ้าเราอยากจะมีความสุขเพิ่มขึ้นหลังจากที่เราได้ทรัพย์มาแล้วเราก็ต้องรู้จักใช้ทรัพย์การใช้ทรัพย์นี้ก็มีการใช้แบบ ท, ที่ทำให้เกิดสุขเพียงอย่างเดียวก็มีหรือการใช้ทรัพย์แบบ ท, ที่จะทำให้เกิดมีความทุกข์ตามมาก็มีเราก็ต้องรู้จักวิธีใช้ทรัพย์ที่ถูกต้อง ใช้ทรัพย์ที่ทําให้เกิดสุขเพียงอย่างเดียวอย่าไปใช้ทรัพย์ที่ทําให้เกิดทุกข์ตามมาวิธีที่ใช้รทรัพย์แล้วทําให้เกิดสุขอย่างเดียวทําอย่างไรก็คือให้ใช้ทรัพย์ไปกับสิ่งที่จําเป็นที่ต้องใช้สิ่งที่จะเราจะต้องมีเช่นปัจจัยสี่ถ้าเราไม่มีปัจจัยสี่เราจะทุกข์กัน พรร่างกายเราจะเดือดร้อนร่างกายเราจะอดอยากขาดแคลนร่างกายร่างกายเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ถ้าเราไม่มีปัจจัยสี่พอเพียงต่อการดูแลรักษาเน้นการใช้ทรัพย์เพื่อจะให้เกิดความสุขก็ต้องใช้ในการมาดูแลรักษาร่างกายให้เราอยู่อย่างเป็นปกติสุข ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อดอยากขาดแคลนนั้นการใช้ทรัพย์กับสิ่งที่จำเป็นนี้จะทำให้เกิดความสุขโดยถ่ายเดียวถ้าเราขาดอาหารเราก็ต้องซื้ออาหารมารับประทานถ้าเราขาดเสื้อผ้าเราก็ต้องซื้อเสื้อผ้ามาสวมใส่ขาดที่อยู่อาศัยก็ต้องหาที่อยู่อาศัยขาดยารักษาโรค ก็ต้องมียารักษาโรคแต่การจะใช้ทรัพย์กับปัจจัยสีนี้ก็ต้องรู้จักประมาณรู้จักความพอดีคือไม่ควรจะใช้มากเกินไปและไม่ควรจะใช้น้อยเกินไปและต้องรู้จักฐานะของเราว่าเรามีมากมีน้อยเพราะปัจจัยสีนี้มีหลาย ระดับราคาด้วยกันระดับถูกก็มีระดับแพงก็มีเช่นเสื้อผ้านี้เป็นเสื้อผ้าที่ราคาถูกก็มีเ ส, เสื้อผ้าที่มีราคาแพงก็มีการที่จะใช้ใ ช, ใช้ใช้จ่ายกับปัจจัยสีน่นี้เราต้องเล็งไปที่เหตุผลของการใช้ใจ่าย อย่าไปเร็งดูด้วยเหตุผลอันอื่นอย่างอื่นคือดูที่หน้าที่ของปัจจัยสี่ว่ามีไว้ทาไมเช่นอาหารนี้มีไว้ทาไมก็มีเพื่อให้ร่างกายเราได้กำจัดความหิวทำให้ร่างกายไม่อดอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยดัยง น, นอาหารนี้ก็มีหน้าที่อย่างนี้ น่ก็อาหารก็มีหลายราคาแต่ก็ทำหน้าที่ได้เท่ากันเช่นอาหารราคาถูกก็ทาให้หายให้ร่างกายหายหิวได้เหมือนกันอาหารราคาแพงก็ทาให้ร่างกายหายหิวได้เหมือนกันเออน้าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินมากเราก็อยากไปเสียดีกว่าซื้ออาหารที่มีราคาไม่แพง แต่สามารถทำหน้าที่ได้เหมือนกับอาหารที่มีราคาแพงเพราะจะทำให้เราไม่ต้องเสียเงินมากจะทำให้เรามีเงินเหลือไว้ใช้กับอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกับเสื้อผ้าเสื้อผ้านี้ก็มีไว้สวมใส่ไว้ปกปิดอวัยวะไว้ป้องกันมแมลงสัตว์กัดต่อย ไว้ป้องกันอากาศที่หนาวเยน็นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าราคาถูกหรือเสื้อผ้าราคาแพงก็สามารถทาหน้าที่ได้เช่นเดียวกันถ้าถ้าเราต้องเสียเงินทองมากๆมันก็เสียไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะว่าเราก็ได้เสื้อผ้ามาเหมือนกันเสื้อผ้าชุดละพัน หรือเสื้อผ้าชุดละห้าพันมันก็เป็นทาหน้าที่ของเสื้อผ้าเหมือนกันเราก็ต้องดูกำลังของรายได้ของเราว่าเรามีมากน้อยเพียงไรก็ควรที่จะใช้ให้เหมาะกับกำลังของรายได้ที่เรามาอยู่หรือถ้าจะดีใช้ตามที่จาเป็น ถ้าเสื้อผ้าชุดละพันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกับเสื้อผ้าชุดละห้าพันก็ซื้อเสื้อผ้าชุดละพันดีกว่าเพราะเราจะได้มีเงินเหลือเราจะได้มี ม, มีทรัพย์มีความสุขต่อไปได้เพราะถ้าเราใช้มากเดี๋ยวทรัพย์ที่มีมันจะหมดพอหมดแล้วความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์มันก็จะหายไปจะทาให้เราต้อง ทุกข์กับการที่จะต้องไปหาทรัพย์มาใหม่นี่คือการใช้ทรัพย์โดยที่จะทําให้เกิดความสุขโดยถ่ายเดียวก็ต้องใช้แบบกับใช้กับสิ่งที่จําเป็นใช้ด้วยปัญญาใช้ด้วยความรอบคอบซื้อเท่าที่จําเป็นไม่ควรที่จะมีมากกว่าที่ควรจะมีเช่นเสื้อผ้าเนี้ย มีพอแล้วก็อย่าไปซื้ อ, อมีเสื้อผ้ามากๆ ก, ก็ไม่ได้ทำให้เกิดความสุขมากขึ้นเท่าไหร่เกิดความสุขตอนที่ได้ซื้อเสื้อผ้าตอนนั้นเท่านั้นเองแต่จะเกิดความทุกข์ตามมาต่อไปเพราะเงินทองจะร้อยหรอหรือจะหมดไปได้อย่างรวดเร็วดันั้นการใช้เงินทองต้องระมัดระวังอย่าใช้แบบสูรุรวยสุร้าย อย่าซื้ออย่าใช้ตามอารมณ์ความอยากเพราะว่าจะไม่พอใช้แล้วจะเกิดความทุกข์ตามมาต่อไปนี่คือเรื่องของการใช้เงินที่จะทำให้เกิดความสุขใช้เพื่อบำบัดความทุกข์ของทางร่างกายให้ร่างกายมีปัจจัยสี่พอเพียงและปัจจัยสี่นี้ก็ไม่ควรที่จะต้อง มีของราคาแพงๆถ้ามีของที่ถูกกว่าและสามารถทำหน้าที่ได้เช่นเดียวกับของที่แพงกว่าก็อย่าไปเสียเงินทองเก็บเงินทองไว้ดีกว่าเพราะเรายังสามารถเอาเงินทองที่เหลือนี้ไปสร้างความสุขให้มีเพิ่มมากขึ้นอีกสมมตุติหลังจากที่เราเอาเงินทองซื้อของที่จำเป็นต้องซื้อแล้ว แล้วเรายังมีเหลือเงินทองอยู่ก็มีวิธีที่จะใช้เงินทองให้เกิดความสุขเพิ่มมากขึ้นอีกหรือใช้เงินทองเพื่อทำให้เกิดความทุกข์เพิ่มขึ้นมาก็ได้ใช้เงินทองอย่างไรที่ทำให้เกิดความทุกข์เพิ่มขึ้นมาก็คือใช้ไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ใช้กับการหาความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายจใช้กับการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นไปดูไปฟังอะไรต่างๆเรียกว่าใช้ความสุขเพื่อซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าใช้ความสุขแบบนี้ใช้เงินทองแบบนี้เพื่อซื้อความสุขเงินทองจะหมดไปได้ง่ายและรวดเร็วพอใช้แล้วมันจะติด ความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วไปเที่ยวมาแล้วกลับมาความสุขนั้นก็หมดไปแล้วกท็ทำให้อยากไปเที่ยวอีกจะเพิ่มความอยากขึ้นไปเรื่อยๆจะทำให้ต้องใช้เงินเพื่อซื้อความสุขเหล่านี้ไปเรื่อยๆจะทำให้ต่อไปเงินทองจะร่อยหรอไม่พอใช้ดังนั้นอย่าไปซื้อ ใช้เงินทองซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นไก่ไม่ว่าจะไปเที่ยวไปดูมหาราัรสยมบันเทิงอะไรต่างๆหรือซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของที่ไม่จำเป็นที่ต้องซื้ออันนี้จะทำให้เงินทองหมดไปได้อย่างรวดเร็วจะทำให้เงินทองไม่พอใช้แล้วก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนตามมา วิธีที่จะใช้เงินที่เหลือจากการใช้จากการใช้กับสิ่งที่จำเป็นก็มีสองวิธีที่มีคุณมีประโยชน์วิธีที่หนึ่งก็คือเ อ, เอาเก็บสํารองไว้เผื่อวันข้างหน้า เ, าเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารเผื่อวันข้างหน้าเราไม่สามารถมีรายได้เราก็จะได้เอาใสายเงินที่เราฝากไว้ในธนาคาร นี้มาใช้สอยได้ต่อไปถ้าเรามีฝากมากเกินกว่าที่เราจำเป็นจะต้องฝากวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นอีกวิธีหนึง่ง<ม>ก็คือการเอาเงินไปทำบุญทาทานเวลาเราทำบุญทาทานนี้เราจะมีความสุขและจะทำให้ใจเราไม่มีความอยากที่จะใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่าย ไม่มีความอยากที่จะใช้เงินเพื่อไปเที่ยวเพื่อไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกเนื้นกายทำบุญแล้วจะมีความสุขใจอิ่มใจอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่เดือดร้อนแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อพพหน้าชาติหน้าต่อไปเพราะเงินที่เราทำบุญนี้จะไม่สูญหายจะเป็นของเราหลังจากที่เรากลับมาเกิดใหม่ เราก็จะได้มาเกิดในครอบครัวที่มีเงินทองมีฐานะการเงินการทองที่ดีจะมีการเงินการทองที่ดีมากน้อยก็อยู่ที่การทำบุญของเราว่าเราได้ทำบุญมากน้อยเพียงไรนี่คือการใช้ทรัพย์ที่จะทำให้เกิดความสุขต้องรู้จักใช้ใช้กับสิ่งที่จำเป็น ใช้กับการทำบุญทำทานใช้กับการออมทรัพย์ใช้กับการสะสมเก็บเงินสัมลองไว้ในวันหน้าเพราะต่อไปร่างกายเราจะต้องแก่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไม่สามารถมีไรายได้เราจะมีแต่รายจ่ายเราจึงควรมีอะไรสัมลองไว้มีเงินทองสัมลองไว้สำหรับใช้ใจ่ายในยาม แกในายามเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ในเวลาที่เราแกเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้คือความสุขที่เกิดจากการจากการใช้ทรัพย์ใช้เงินทองใช้ด้วยเหตุด้วยผลใช้ด้วยความรอบค้อบความสุขข้อที่สาม เหตุที่จะทำให้เรามีความสุขก็คือการไม่มีหนี้สินอย่าไปมีหนี้สินเพราะเวลามีหนี้แล้วมันจะทำให้เราต้องกังวลต้องห่วงต้องกลัวเพราะเป็นภาระที่เราจะต้องชดใช้เราไปโู้เงินของเขามาเราก็ต้องใช้เงินเืินเขาไปเมื่อถึงเวลาถ้าเราไม่ใช้เขาก็จะตามมาทวงอยู่เรื่อยๆ เราก็จ ะ, ะไม่สบายใจเพราะเวลาเขาทวงเขาก็อาจจะพูดไม่ดีพูดว่ากล่าวเร า, เราด่าเราแล้วถ้าเขาทวงไม่ได้เขาก็จะต้องใช้มาตรการอย่างอื่นเพื่อที่จะบังคับให้เราใช้เงินคืนเขาถ้าเขาใช้มาตรการทางกฎหมายได้เขาก็จะไปแจ้งความ จับเราขึ้นศาลจับเราไปลงโทษถ้าใช้มาตรการทางกฎหมายไม่ได้ก็อาจจะใช้มาตรการทางกําลังอาจจะไปจ้างนักเลงมาคมคู่มาทำร้ายร่างกายเพื่อให้เราใช้เงินทองที่เราไปยืมเขามานี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการมีหนี้ ถ้าเราไม่มีหนี้เราก็จะไม่มีความทุกข์เราก็จะมีความสุขการที่จะไม่มีหนี้ก็ต้องรู้จักวิธีใช้เงินใช้ทองนั่นเองใช้กับสิ่งที่จำเป็นใช้ไปตามกำลังของที่เรามีอยู่อย่าใช้เกินที่เราหามาได้ถ้าเราใช้เกินที่เราหามาได้เราก็ต้องไปเป็นหนี้ แต่ถ้าเราใช้ไม่เกินที่รายได้แล้เรามีรายได้ที่เหลือเก็บเอาไว้เผื่อเวลาที่เราไม่มีรายได้เราก็ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินจากใครเพราะเราจะมีเงินทองที่เราเหลือเก็บเอาไว้สำรองไว้เราก็จะได้ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินสมัยนี้การเป็นหนี้เป็นสินนี่ง่ายมากเพราะทางธนาคารเขา ให้บัตรเครดิตเราไปใช้ก่อนพอเราไปใช้โดยที่เราไม่มีเงินในธนาคารจ่ายเขาเราก็เป็นหนี้แล้วเขาก็จะคิดดอกเบีย้ยแล้วเราก็จะต้องไปหาเงินทองมาใช้ใช้เขาถ้าไม่ใช้เขาก็จะมายึดทรัพย์มายึดข้าวของมายึดบ้านเราได้เพราะเราไปเป็นหนี้เขานั่นเองอย่างนั้นให้ระมัดระวัง ให้ดูกำลังของเราให้ดูเงินทองของเราว่าเรามีมากมีน้อยอย่าใช้เกินที่เรามีอยู่และต้องคอยเก็บเงินเอาไว้สำรองไว้เผื่อวันข้างหน้าเผื่อวันที่เราไม่มีเงินทองไม่มีไรายได้เราจะได้อาศัยเงินที่เราเก็บสำรองไว้นี้มาใช้จ่ายกับสิ่งที่จําเป็น เช่นไม่สบายก็ต้องเสียค่าพยาบาลไม่ได้ทำงานก็ต้องซื้ออาหารมากินแต่ไม่มีไรายได้ก็ต้องใช้เงินทองที่เราเก็บสำรองเอาไว้มาใช้ต่อไปไม่เชนนั้นเราก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินกู้แล้วถ้าเราไม่มีปัญญาใช้เขาเราก็จะต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวและถูกจับไปลงโทษ หรือถ้าเราเอาหลักทรัพย์ไปค้ำประกันเขาก็จะยึดหลักทรัพย์ที่เรามีไว้ไปเช่นเอาบ้านไปค้ำประกันเพื่อเอาเงินมาเดี๋ยวพอไม่มีเงินใช้นี่เขาก็จะยึดบ้านเราไปเราก็จะไม่มีบ้านอยู่วิธีที่จะไม่เกิดนี่ก็คือต้องใช้อย่างประหยัดใช้เงินทองเท่าที่จําเป็นอย่าต้องใช้อย่าใช้ตามความอยาก เพราะถ้าใช้ตามความอยากแล้วจะไม่พอใช้เพราะความอยากมันจะไม่หมดไปกับการใช้เงินทองวันนี้เห็นอะไรอยากได้ก็ซื้อมาพอซื้อมาแล้วความอยากมันไม่หายไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเดินเห็นอะไรอยากได้ขึ้นมาอีกก็อยากจะซื้ออีกถ้ามีเงินก็จะซื้อซื้อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเงินก็จะหมดดังนั้นถ้าไม่อยากจะมีนี่ก็ต้องรู้จัก ใช้เงินทองแบบประหยัดใช้ด้วยเหตุด้วยผลใช้ด้วยความรอบครอบแล้วก็ต้องพยายามหาเงินให้ได้มากๆให้เงินนี้เงินให้รายได้มากกว่ารายจ่ายอย่าให้รายจ่ายมากกว่ารายได้ถ้ารายจ่ายมีมากกว่ารายได้เราก็ต้องตัดรายจ่ายออกไปดูว่าอันไหนไม่จำเป็นจะต้องใช้ก็ตัดเงินไปไปเที่ยวไม่ต้องเที่ยวก็ตัดเงินไป ไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็ตัดมันไปถ้าเราตัดรายจ่ายลงไปเดี๋ยวรายรายได้ก็จะมีมากกว่ารายจ่ายเราก็จะไม่ต้องไปเป็นหนี้นี่คือความสุขเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขข้อที่สามก็คือการไม่เป็นหนี้ข้อที่สี่เหตุที่จะทำให้เรามีความสุข ก็คือการกระทําที่ไม่เกิดโทษการกระทําไม่เกิดโทษก็คือการกระทําไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนั่นเองถ้าเราทําอะไรผิดกฎหมายผิดศีลธรรมนี้เราจะวุ่นวายใจเราจะทุกข์ใจทําผิดกฎหมายเราก็จะกลัวจะถูกไปจับไปลงโทษถ้าเราไปช่อโกงไปลักทรัพย์ โกหกหลอกลวงเราก็มีโอกาสติดคุกติดตารางได้ทำไปแล้วก็จะทำให้จิตใจเราวุ่นวายทำบาปก็เช่นเดียวกันถึงแม้อาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ทำให้เราวุ่นวายใจได้เช่นเนเช่นการประพฤติผิดปรเวณีการที่ไปเปลี่ยนชู้อย่างนี้ไปยุ่งกับสามีภรรยาของผู้อื่น ก็จะทำให้เกิดโทษเกิดความทุกข์ตามมาใจจะไม่มีความสุขถ้าภรรยาหรือคู่ครองสามีคู่ครองรู้ว่าเราไปเป็นชู้กับผู้อื่นเขาก็จะเสียใจเขาก็จะโกรธเราเขาก็อาจจะอยากจะเลิกกับเราเราก็จะเกิดเรื่องวุ่นวายใจต่างๆตามมานี่คือการสร้างความสุข ถ้าเราไม่ทำผิดกฎหมายเราไม่ทำผิดผิดศีลผิดธรรมก็จะไม่มีโทษตามม า, าเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายนี่คือความสุขของผู้คองเรือนมีอยู่สี่เหตุด้วยกันคือหนึ่งการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์มาสองการ 2. การใช้ทรัพย์สาการการไม่มีหนี้และสี่การกระทาที่ไม่เกิดโทษนี่เป็นความสุขระดับต่ำระดับที่ถึงแม้ว่าจะมีความสุขแต่มันก็มีความไม่แน่นอนก็ยังทำให้เรา สามารถเกิดความทุกข์ได้เช่นรายได้ก็อาจจะหมดได้ถ้าเราตกงานหรือว่าบริษัทเขาล้มละลายต้องปิดกิจกา ร, รเราก็จะตกงานได้รายได้ที่เราเคยมีก็อาจจะขาดไปอันนี้ไม่ได้เกิดจากการกระทำของเราแต่เป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตา คือเราอยู่ในโลกที่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมีอะไรเกิดได้ก็มีการดับได้มีการเจริญราบก็มีการเสื่อมราบได้ดังนั้นผู้ที่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่ น, นอนของความสุขแบบค า, ารวาานี้ก็จะมีความสนใจที่จะเข้าหาความสุขแบบของนักบวช เพราะความสุขของนักบวชนี้เป็นความสุขที่มั่นคงกว่าปลอดภัยจากความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นความสุขที่จะสามารถควบคุมได้สามารถสั่งให้อยู่กับเราได้คือความสุขของนักบวชผู้ที่เห็นความไม่วุ่น ไ ม, ไ, ม ไ, มไม่มมั่นคงไม่แน่นอนของความสุขแบบคารวะก็อยากจะไปหาความสุขแบบนักบวชกันตอนต้นก็ไปชิมดูก่อนไปซ้อมดูกันว่าความสุขของนักบวชนี้เป็นอย่างไรความสุขของนักบวชก็เกิดจากอะไรก็เกิดจากการมีศีลสมาธิและปัญญานี่นี่คือ เหตุที่จะทำให้เกิดความสุขแบบนักบวชขึ้นมาความสุขแบบนักบวชนี้เป็นความสุขอย่างไรก็เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบของใจใจจะสงบได้ก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาเป็นคู่กำกับเป็นคู่เป็นผู้ควบคุมบังคับให้ใจสงบพอใจสงบแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของ ผู้ของเรือนความสุขของของของการมีทรัพย์ของการใช้ทรัพย์วิธีที่จะชิมหรือทดลองความสุขแบบนี้ก็ทำในวันหยุดของเราเวลาที่เราไม่ต้องไปทำงานทำการเราก็ลองไปอยู่วัดดูเราไปศึกษาจากนักบวช ด, ดูว่าเขาสร้างความสุข แบบนี้ได้อย่างไรเขออาก็จะสอนให้เรารักษาศีลแปดกันให้เรายุติการหาความสุขแบบผู้ครองเรือนออผู้ครองเรือนหาความสุขด้วยการร่วมหลับนอนกันออก็ให้หยุดผู้ครองเรือนหาความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากก็ให้หยุดรับประทานแบบนี้ให้รับประทานเพียงพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอ คือไม่ให้รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้ารับประทานเพื่อร่างกายนี้รับประทานแค่เที่ยงวันก็พอร่างกายอยู่ได้ไม่ตายแน่นอนรับประกันได้ะความหิวที่เกิดนั้นไม่ได้เกิดจากความหิวของร่างกายแต่เกิดจากความอยากของใจอยากจะกินอาหารพอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเกิดความหิวขึ้นมาอันนี้เราก็ต้อง ยุติมันใช้เหตุผลว่าไม่ตายหิวก็ไม่ตายไม่ต้องกลัวเราอย่าไปกินเพราะการกินจะทำให้เราไม่สามารถมาหาความสุขแบบนักบวชได้ถ้าเราอยากจะมาหาความสุขแบบนักบวชเราต้องไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาสร้างความสุขแบบนักบวชกันแล้วเราก็ต้องเลิกหาความสุขจาก ทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปหาไม่ไปดูไปฟังเช่นภาพยนตร์มหศัศลสพบันเทิงต่างๆไม่ไปร้องลําทำเพลงไม่แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาทำเทาเผาทาผมใช้น้ำมันใช้น้ำหอมอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขต่ำเป็นความสุขที่สู้ความสุข ที่จะได้จากการทำใจให้สงบไม่ได้ถ้าเราไม่หยุดกิจกรรมเหล่านี้เราก็ยังจะเราจะไม่มีเวลามาสร้างความสุขคือมาสร้างสมาธิสร้างปัญญาเพื่อทำใจของเราให้สงบเพื่อจะได้เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงขึ้นมาเราจึงต้องถือศีลแปดกันถ้าเราอยากจะไปสร้างความสุขแบบนักบวช ในวันหยุดทำงานเราลองถือศีลแปดกันถ้าไปวัดได้ก็ไปวัดถ้าไปไม่ได้ถ้าอยู่บ้านก็ให้อยู่คนเดียวอยู่ที่ไม่มีใครมายุ่งมาลบกวนเพราะการทำใจให้สงบนี้ต้องไม่มีอะไรมารบกวนใจไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องกัดใจให้ใจอยู่ตามลำพังแล้วใจถึงจะสงบได้ถ้าต้องเกี่ยวข้องกับคนนั่นคนนี้ เกี่ยวแ้คล้องกับเรื่องนั้นเรื่องนี้การทำใจให้สงบก็จะไม่สามารถทำได้นี่นี่คือการหาความสุขแบบนักบวชจะต้องถือศีลของนักบวชคือตั้งแต่ศีล8ขึ้นไปนี้ถือว่าเป็นศีลของนักบวชศีลของผู้คองเรือนก็คือศีลห้าถือศีลห้าก็จะปลอดภัยจากการกระ ท, ทําที่ที่เกิดโทษต่างๆ ถ้าถือศีลหน้าได้การกระทาจะไม่เกิดโทษอันนี้เป็นศีลของผู้คลองเรือนของผู้หาความสุขแบบคลองเรือนแต่ศีลของผู้ที่ออกบวชนี้จำเป็นจะต้องเพิ่มเป็นศีลแปดขึ้นไปเพื่อจะได้หยุดยุดติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้เอาเวลาที่ใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ มาหาความสุขในการทำใจให้สงบใจจะสงบต้องมีเวลาปฏิบัติใจจะสงบได้ต้องมีสมาธิสมาธิคือความนิ่งความสงบของใจใจจะสงบจะนิ่งได้ต้องมีสติเป็นผู้กากับควบคุมใจไม่ปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยถ้าใจคิดอยู่ใจจะไม่สงบ เมื่อใจไม่สงบใจก็จะไม่มีความสุขใจจะสงบได้ก็ต้องมีสติคอยควบคุมความคิดนี่คือการสร้างความสุขแบบนักบวชต้องสร้างด้วยการสร้างสติขึ้นมาก่อนต้องมีสติหยุดใจหยุดความคิดให้ได้ถ้ายังหยุดความคิดไม่ได้ใจจะไม่สงบใจจะไม่มีความสุข ที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของผู้คองเรือนอย่างนั้นผู้ที่อยากจะได้ความสุขแบบนี้จึงต้องมีความเพียรพยายามเจริญสติอย่างต่อเนื่องควรจะทำตลอดเวลาเพราะสตินี้เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นได้ตลอดเวลาตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเราก็สามารถที่จะควบคุมความคิดได้เลย อ, อย่าปล่อยให้คิด ในเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดเนถ้าวันที่เราไม่ต้องไปทำงานนี้เราแทบจะไม่ต้องใช้คิดอะไรคิดแต่เพียงว่าเราต้องทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายของเราเท่านั้นเองก็คือล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำอาบท่ารับประทานอาหารแต่งเนื้อแต่งตัวนอกนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรก็เอาเวลาทั้งวันนี้มาควบคุมความคิดกันเลืมตาขึ้นมาก็สั่งให้หยุด ถ้าสั่งให้หยุดคิดไม่ได้ก็ต้องสแสดงว่าสติไม่มีกําลังพอที่จะหยุดความคิดเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาวิธีสร้างสติก็มีหลายวิธีมี4ี่สวิธีด้วยกันเรียกว่ากรรมฐาน40แต่เราไม่ต้องใช้กรรมฐานทั้ง4ี่วิธีตอนเริ่มต้นนี้ขอให้เรารู้จักวิธีสองวิธีก็พอที่จะสามารถควบคุมความคิดหยุดความคิดของเราได้ วิธีที่หนึ่งก็ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปพอลืมตาขึ้นมาพอจะเริ่มคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นนก็พุทโธพุทโธไปเลยจะคิดก็คิดเท่าที่จำเป็นว่าวันนี้วันอะไรอ๋อวันนี้วันหยุดไม่ต้องทำงานวันนี้เราจะปฏิบัติธรรมวันนี้เราจะฝึกสติเราจะพุทโธพุทโธคิดเท่านี้ก็พอพอดูแล้วว่าเราต้องทำอะไรก็ทาไปเลยเราต้องพุทโธพุทโธกากับ ใจเราไปทั้งวันทั้งคืนก็ลองพุโทโธพุโทโธไปลุกขึ้นมาไปห้องน้ำอาบน้ำอาบถ่ารล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธพุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็พุโทโธพุโทโธไป น, นี่คือเป็นการฝึกสติควบคุมความคิดหยุดความคิดถ้าเราทำได้พอเราว่างจากกิจกรรมที่เราต้องทำแล้วเราก็นั่งสมาธิกันได้เลย นั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุธโทโธต่อไปควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้คิดนถ้าเราครวบคุมได้เดี๋ยวจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้พอสงบแล้วจิตก็จะนิ่งจิตก็จะหยุดคิดหยุดพุโทโธไปจะเหลือแต่สักแต่ว่ารู้รู้เฉยเฉยรู้ว่าตอนนี้จิตไม่คิดรู้ว่าไม่มีอะไรรู้ว่ามีแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งนี่คือ การสร้างความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่มั่นคงกว่าความสุขแบบของผู้คองเรือนเพราะมันไม่มีอะไรแน่นอนเงินทองไม่แน่นอนมีมาได้อาจจะหยุดมาก็ได้แต่ความสุขแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินทองเกี่ยวข้องกับสติซึ่งสตินี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่จะมาทาให้มันเสริมได้ มีเราเท่านั้นน่ะที่จะทำให้มันเสื่อมหรือไม่เสื่อมถ้าเราขยันเจริญสติสติก็จะมีกับเราไปตลอดความสุขแบบนี้เราควบคุมได้เราทำให้มันเกิดขึ้นได้เราทำให้มันหายได้ผู้อื่นไม่สามารถมาทาให้ความสุขแบบนี้หายได้ ห, ดหรือเกิดขึ้นได้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ทำไม่ได้อยู่ที่เราเท่านั้นที่จะทำให้มันเกิดหรือทาให้มัน ไม่เกิดนี่คือความสุขที่เราควบคุมได้ถ้าเราสามารถทำให้มันเกิดได้เราก็จะสามารถรักษาให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอดแล้วเราก็จะมีความสุขไปตลอดไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทางร่างกายมันจะไม่มากระทบกับความสุขที่เราได้ทางจิตใจเลยเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความสุขที่ถาวรต่อไปถ้าเราสามารถ สร้างสติและสร้างปัญญาขึ้นมาดูแลสตินี้ก็จะคอยทำให้เกิดความสุขเป็นพักๆไปเวลาใดเผลอสติเริ่มคิดความสุขก็จะหายไปถ้าอยากจะให้ความสุขที่เราได้จากการควบคุมด้วยสติไม่หายไปเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจ สอนใจไม่ให้คิดไปทางความอยากเพราะคิดไปทางความอยากแล้วจะทำให้ความสุขที่เราได้จากการทำใจให้สงบนี้มันหายไปวิธีที่จะคิดสอนให้ใจไม่คิดไปทางความอยากก็ให้สอนให้เห็นว่าการทําตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นการไปได้ความสุขมาความสุขที่ได้มาเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่บังความทุกข์ไว ได้อะไรมาใหม่ๆก็สุดแล้วเดี๋ยวสิ่งที่เราได้มามันก็จะเปลี่ยนไปหรือเสื่อมไปหรือหมดไปพอบันเสื่อมไปหมดไปความสุขที่เราได้จากการที่เราไปหามาก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเช่นเราได้อะไรมาใหม่ๆเราก็ดีใจกันพอสิ่งที่เราได้มาเสียไปพังไปเราก็เสียใจกันทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ มันจะต้องเสียมันต้องต้องเสื่อมมันต้องหมดสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นจะต้องมีการดับไปเป็นธรรมดานี่คือสัจธรรมความจริงของสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับเราเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขแบบพาทิศพาทิ์ขึ้นแล้วเดี๋ยวพาทิ์ก็ตกความสุขที่เราได้มาได้เงินทองมาแล้วเดี๋ยวใช้เงินทองหมด ความสุขที่ได้จากเงินทองนั้นก็จะหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่นี่คือการใช้ปัญญาสอนใจให้ใ ห, หยุดคิดไปในทางความอยากเพราะถ้าคิดไปในทางความอยากแล้วเดี๋ยวก็จะไปทําสิ่งที่อยากได้ไปเอาสิ่งที่อยากได้แล้วพอได้มาก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปพอเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกเพราะว่ามันเป็นของชั่วกราวทุกเพราะว่าเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เราก็จะได้ไม่คิดไปในทางความอยากอีกต่อไปไม่อยากได้อะไรเราก็จะไม่ต้องคิดอะไรพอเราไม่คิดอะไรความสงบที่เราได้จากการใช้สติหยุดคิดมันก็จะสงบต่อไปจิตก็จะไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าคิดก็ไม่ได้คิดไปทาง ทางความอยากถ้าไม่ได้คิดไปทางความอยากก็จะไม่มาทำลายความสงบที่ได้จากการทาใจให้หยุดคิดใจเราไม่สงบเพราะคิดไปในทางความอยากถ้าคิดไปในทางไม่อยากใจจะสงบใจจะไม่วุ่นวายนี่คือวิธีสร้างความสุขแบบนักบวชนักบวชนี้จะต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญา การจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติต้องหมั่นฝึกสติอยู่เรื่อยๆฝึกอยู่ทั้งวันถ้าไม่ฝึกไม่ควบคุมปั๊บความคิดก็จะไหลมาทันทีถ้าใช้พุโทโธพุโทโธก็จะหยุดมันได้ทันทีถ้าเราไม่อยากจะใช้พุโทโธเราจะสามารถใช้การเฝ้าดูร่างกายแทนพุโทโธก็ได้เช่นคอยเฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายกาลังทาอะไรอยู่ แล้วก็บังคับจิตให้อยู่กับการทำงานของร่างกายเฝ้าดูการทำงานของร่างกายเช่นกำลังอาบน้ำก็ให้มันอยู่เฝ้าดูการอาบน้ำอย่าให้มันไปคิดเรื่องอื่นกำลังล้างหน้าแปรงฟันก็เช่นเดียวกันกำลังรับประทานอาหารก็ให้มันอยู่กับการรับประทานอาหารกำลังตักข้าวข้าปากำลังเคี้ยวกาลังกลืนให้มันเฝ้าดูอยู่อย่างนี้ไปเรื่อย แล้วมันจะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แล้วเวลาเรานั่งหลับตาทำใจให้สงบเราก็ใช้การดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาเพียงให้รู้ว่าเข้าหรือออกก็พอถ้าจะดูก็ดูที่ปลายจมูกเพราะเป็นจุดที่ลมเข้าลมออก นมเข้าตรงนั้นออกตรงนั้นก็เฝ้าดูตรงนั้นถ้ามีอะไรให้ใจเฝ้าดูอยู่ใจก็จะไม่ไปคิดเรื่องต่างๆได้พอไม่คิดเรื่องต่างๆใจก็จะสงบใจก็จะนิ่งใจก็จะสบายมีความสุขแล้วก็จะเห็นว่าไม่มีความสุขอันใดจะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่ได้จากการมีทรัพย์ความสุขที่เกิดจากการใช้ทรัพย์นี้ จะสู้ความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ได้ถ้าเราองเราได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้เพียงครั้งเดียวเราจะติดอกติดใจและเราอยากจะสร้างความสุขแบบนี้ให้มีมากขึ้นเราก็จะเพิ่มวันปฏิบัติให้มีมากขึ้นเช่นตอนต้นเราทดลองในวันอาทิตย์ละหนึ่งครั้งพอเราได้พบกับผลแล้วได้ความสุขแบบนี้แล้วเราก็จะเพิ่มวันปฏิบัติ จากอาทิตยละวันเป็น2วันจาก2วันเป็นสาวันงานการที่เราทำอยู่เราก็จะหาวิธีลดการทำงานให้น้อยลงไปเพราะเมื่อเรามีความสุขแบบนี้แล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีเงินมีทองไม่ต้องการใช้เงินใช้ทองก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำงานถ้าจะทำก็หาเงินทองมาใช้กับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นคือปัจจัยสี่เช่นค่าใช้ใจ่าย สำหรับค่าอาหารค่าที่อยู่อาศัยเป็นต้นเท่านั้นเองเราก็จะไม่ต้องใช้เงินมากก็ไม่ต้องไปหาเงินมากเราก็อาจจะเลิกทำงานก็ได้หรือเปลี่ยนงานทำงานแบบอิสระเลือกเวลาทำได้วันไหนอยากจะทำก็ทำวันไหนไม่อยากจะทำก็ไม่ต้องทำเราจะได้มีเวลามาปฏิบัติมากขึ้นมาสร้างความสุขแบบนักบวชมากขึ้น มาถือศีลแปดมาปีกวิเวกมาอยู่คนเดียวมานั่งสมาธิมาเจริญสติแล้วก็มาเจริญปัญญาสอนใจอย่าให้คิดไปในทางความอยากอย่าไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันเราควบคุมบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้นั่นเองออนี่คือ งานที่เราจะทำเพิ่มมากขึ้นถ้าเราลองได้สัมผัสกับความสงบเพียงครั้งแรกแล้วเราจะติดอกติดใจแล้วต่อไปเราก็จะเป็นเป็นนักบวชได้อย่างเต็มร้อยเป็นนักบวชได้ตลอดเวลาเพราะเราอยากจะได้มีความสุขแบบนี้ตลอดเวลา24ชั่วโมงถ้าอยากจะมีความสุขแบบนี้24ชั่วโมงก็ต้องมีสติสมาธิปัญญาตลอดเวลานั่นเอง การจะมีสติสมาธิปัญญาตลอดเวลาก็ต้องไปอยู่แบบนักบวชนะครับไม่ไปหาเงินหาทองไม่ไปหาความสุขแบบผู้ครองเรือนอีกต่อไปนี่คือเรื่องของความสุขสองรูปแบบที่มีอยู่ในโลกนี้ที่พวกเราสามารถหากันได้ในเบื้องต้นนี้พวกเราก็ยังต้องหาความสุขแบบผู้ครองเรือนไปก่อน พราเป็นความสุขที่หาง่ายกว่าความสุขของนักบวช ต, ต่อมาต่อไปเมื่อเราได้มาได้ยินได้ฟังเรื่องของวิธีหาความสุขแบบนักบวชเราก็อาจจะสนใจเพราะเราอาจจะเบื่อกับความสุขของผู้ครองเรือนเพราะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนและมันไม่อิ่มหนำสำลานใจมันยังปล่อยให้เราหิวเราอยากอยู่ไ่้เรื่อยไม่มีวันจบวันสิ้น เราก็อาจจยากจะมาลองหาความสุขแบบนักบวชกันดูเราก็เอาวันหยุดทำงานของเรานี้มามาศึกษาแล้วก็มาสร้างความสุขแบบนักบวชเช่นมาอยู่วัดถ้าเรารู้แล้ววิธีสร้างความสุขของนักบวชมีอะไรบ้างเราก็มาปฏิบัติมาสร้างมันเลยวิธีที่จะมีความสุขแบบนักบวชก็ต้องมีศีลแปดขึ้นไปต้องมีสติต้องเจริญสติต้องรู้จักวิธีเจริญสติ ต้องนั่งสมาธิทำใจให้เนิ่งให้สงบแล้วเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิถ้าเกิดความอยากก็เอาปัญญามาสอนใจห้ามหักห้ามจิตใจอยากไปอยากได้อะไรต่างๆเพราะความอยากสิ่งต่างๆที่อยากได้นี่นมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราวเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอด มันหมดแล้วก็จะทำให้เราอยากได้ใหม่เราก็ต้องหาใหม่หามาได้ไปมันก็จะหมดอีกให้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้หยุดอยากหยุดความคิดที่อยากจะได้สิ่งต่างๆแล้วต่อไปถ้าเราไม่มีความอยากใจเราก็จะสงบไปตลอดจะไม่มีความอยากอีกต่อไปไม่มีความทุกข์อีกต่อไปจะมีความสุขไปตลอดแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเพราะเราไม่ต้องการความสุข จากโลกนี้แล้วเมื่อไม่ต้องการความสุขจากโลกนี้ก็ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับผ้าอรหันตสาวกไม่ต้องกลับมากแก่ๆเจ็บตายอีกต่อไปนี่คือเรื่องของความสุขที่เราในช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้จะส่งให้กันความจริงเราไม่ได้ส่งอะไรเราส่งเพียงแต่ความปรารถนาดีความอวยพรเท่านั้น ถ้าจะส่งความสุขก็ต้องส่งของขวัญให้กันส่งเงินทองให้กันเพราะเวลาผู้รับเขาได้รับเงินทองเขาก็จะได้มีความสุขเวลาเขาได้รับของขวัญเขาก็จะมีความสุขแต่ก็เป็นความสุขชั่วคราวความสุขประเดียเด๋ยวประดาเดี๋ยวก็หมดไปถ้าอยากจะให้เขามีความสุขถาวรก็ส่งธรรมะคําสอนของพระพุทธจเจ้าไปเพื่อเขาจะได้รู้จักวิธีหาความสุขทางทางจิตใจ ความสุขของนักบวชแล้วเผื่อก็นนำเอาไปปฏิบัติเขาก็จะได้รับความสุขที่แท้จริงต่อไปดังนั้นในวะละช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหมน่นี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนยะทาวาริวะหาปุราปุริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกบปะติอิที่ตังปัทิี่ตังตุมหงังคิดว่าเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกาป้า จันโทปนาราโสยถามณิโชติหราโสยถาสัพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควีนัศสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตนาสีฤทสานิจจังวุทฒาปจายโน จตารโหธมาวทาติอายุวโนสุขังภาลาช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาใครมีคำถามเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามได้ไปจนกว่าเราจะเลิกประชุมแต่หลังจากประชุมแล้วขออนุญาตงดตอบปัญหา อยากจะถามถามตอนนี้ถ้าไม่อยากจะถามด้วยตัวเองก็เขียนข้อความส่งเข้ามาแล้วเราจะมีพิธีกร อ, อ่านคำถามให้ถ้ายังไม่มีใครถามเดี๋ยวจะให้ทางบ้านถามมาก่อนวันนี้ทางบ้านมีติดตาม Facebook, Youtube เท่าไหร่เฟซบุ๊กวันนี้ Facebook มีสองร้อยห้าสิบคนครับแล้วก็ Youtube มีเก้าสิบคนครับวันนี้ i อจีไม่ได้ถ่ายเพรา ะ, ะว่า ตัวตัวหลัก y ย u ทูบออฟไลน์นะฮะก็เลยต้องเอาตัว iG มาถ่ายแทนนะครับตัวตัวยูทูบมันเสียเลยอ่ามัน off line อนอฟไลน์นะฮะพอดีช่วงแรกช่วงแรกมันติดมันมันติดเรื่องซอฟต์แวร์นะฮะแล้วมันแจ้งว่า off line ออฟไลน์อยู่ก็เลยถ่ายไม่ได้ก็เลยต้องเอาตัว iG มาถ่ายแทนเดี๋ยวต้องลงลงใหม่เลยครับเเมื่อกี้ผมแก้ได้แล้วครับแก้เป็น อ, ออนไลน์ได้แล้วครับแต่ทีนี้ก็เลยคิดว่าถ่าย youtube อันนี้แล้วก็เลย<น>ก็เลยถ่ายยาวไปเลยไอจมันก็ไม่มีคนติดตามเท่าไหร่ แล้วทางลายทางลายมีห้าพันเก้าร้อยคนครับครับมีคําถามต่างชาติไหมไม่มี ม, มี่แหละนี่ชาวต่างชาติไหมพม่าไม่ไม่มีครับเป็นชาวพม่าเลยมาจากพมาก่าถามเป็นภาษาไทยนะอ๋อไดอ้จากจากคุณสรุธิยานะครับเออยากทราบว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเราทําผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งซึ่งเราไม่ได้อยากจะทําหลอกคะ่ะแต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่พอเราทำผิดศีลอยู่เราก็เลยเลือกที่จะไม่ไว่ายพระเพราะเราคิดว่าเราทำบาปไม่เกี่ยวกันการวหายพระ ก, กับการทำบาปยิ่งทำบาปมากๆต้องยิ่งวหายพระเยอะๆจะได้ขอขมาจะไดะ้สอนให้เราพยายามหักห้ามจิตใจยอย่าไปทำบาปฟังคำสอนอย่าไปอยู่ห่างพระถ้าเรายิ่งทำบาปเรายิ่งต้องเข้าหาพระเพื่อให้พระได้สอนเราเตือนใจเรา เพื่อเราจะได้มีกำลังใจที่จะไม่ทำบาปได้งั้นอย่าเอาเรื่องของการทำบาปทำให้เราไม่กราบพระมันคนละเรื่องกันเราก็กราบของเราไปเรายังมีข่าควคำรบพระยุนพระนี้หมายถึงพระรัตนตรยนะัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราควรที่จะข่ารลบเสมอไม่ว่าเราจะดีหรือจะช่วยอย่างไรถ้าเราทำบาปเราก็ต้องพยายามสอนใจเราว่าอย่าไปทำ เป็นการไม่ดีสําหรับเราต่อไปครับคำถามถัดมานะครับจากคุณถ่วยฟูครับกราบนวสการพระอาจารย์ครับการทําวิปัสสนาต้องได้สมาธิยานที่สี่ถึงจะพิจรณาให้เกิดปัญญาอย่างแท้จริงได้จริงหรือไม่ครับคือปัญญามันเกิดได้ไม่ต้องมียานไม่ต้องมีสมาธิแตการจะใช้ปัญญาไปฆ่ากิเลสเนี่ยมันต้องมีสมาธิ ตอนนี้พวกเราก็มีปัญญากันรู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรไม่เที่ยงอะไรเป็นทุกข์อะไรไม่ใช่ของเราแต่เราไม่มีกำลังที่จะไปสู้กับกิเลสที่มันดือ้อมันไม่ยอมเชื่อปัญญารู้ว่ามันทำให้เราทุกข์มันก็ยังอยากได้อยู่แต่ถ้าเรามีสมาธิเราจะมีกำลังหยุดความอยากเหล่านี้ได้เรามีปัญญามีเหตุผลว่าทำไมเราไม่ควรทำตามความอยาก แต่เราไม่มีกำลังที่จะไปหยุดความอยากก็คือสมาธิดังนั้นตอนนี้เราต้องมาฝึกสมาธิกันให้เยอะๆจนกระทั่งเราสามารถหยุดความอยากได้เวลาจิตรวมเข้าสู่อุเบกขาตอนนั้นความอยากก็จะถูกหยุดไปเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกทำลายด้วยปัญญาความอยากมันจะหมดไปต้องหมดด้วยปัญญาคือเหตุผลปัญญาจะบอกว่าการทำตามความอยากนี้จะทาให้เราอยากไปเรื่อย และจะทำให้เราทุกข์ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ทำตามความอยากต่อไปเราก็ทุกครั้งเกิดความถ้าเรารู้เหตุผลของการไม่ทำตามความอยากต่อไปทุกครั้งมีความอยากเราก็จะไม่ทำมัน oder, พอเราไม่ทำมันไปต่อไปมันก็จะไม่มาหาเราอีกต่อไปถ้าเราใช้แต่สมาธิไม่ใช้ปัญญาเราหยุดมันได้พอออกจากสมาธิความอยากก็กลับมาใหม่เราก็จะอยากทาตามความอยากใหม่ พราะเราไม่รู้เหตุผลไม่รู้ไม่รู้โทษของการทําตามความอยากว่านําไปสู่ความทุกข์เนี่ยนี่เราต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เราเห็นว่าการที่เราไปทําตามความอยากนี่จะทําให้เราเกิดความทุกข์ไม่ใช่เกิดความสุขเพราะความสุขที่เราได้จากความอยากมันเป็นความสุขชั่วคราวพอมันหมดไปก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปทุกครั้งที่ได้มามันจะต้องกลายเป็นความทุกข์ไปพอเราเห็นด้วยปัญญาแล้ว เราก็จะสามารถไม่ทําตามความอยากได้ถ้าเรามีสมาธิเพราะเราเคยหยุดมันได้แล้วเราหยุดความอยากได้แล้วเพียงแต่ว่าเราตอนนั้นไม่ไม่รู้ว่าเหตุผลทําไมเราต้องหยุดความอยากเราจึงต้องใช้ปัญญาสอนใจดังนั้นต้องมีทั้งสองอย่างพูดง่ายๆมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะทําลายความอยากได้ถ้ามีเพียงสมาธิก็หยุดได้เป็นชั่วคราวหยุดตอนที่เข้าไปในสมาธิ พอออกมาจากสมาธิเกิดความอยากก็ทําทันทีถ้าไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาก็จะบอกว่าเออทาไม่ได้ออกมาปั๊บอยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบพอบอกถ้าสูบก็ต้องสูบไปเรื่อยๆจะอยากไปเรื่อยๆไม่มีวันเส้นสุดถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่พิจารณาด้วยปัญญาต่อไปแต่ต้องมีสมาธิถึงจะสามารถใช้ปัญญามาดับความอยากได้อย่างถาวร คำถามถัดมาจากคุณจงซินีครับกราบนมัสกรารพระอาจารย์ค่ะสวดมนต์ข้ามปีที่บ้านต่างกันกับสวดมนต์ที่วัดไหมคะถ้าเราไม่มีเวลาไปวัดเมตตาอธิบายได้ไมครับเมต่าแล้วแล้วสวดวันไหนก็เหมือนกันไม่ใช่สวดเฉพาะวันสิ้นปีฮะสวดคืนนี้ก็ได้ได้บุญเหมือนกันสวดคืนพวกนี้ก็ได้บุญเท่ากับคืนนี้สวดทุกคืนสวดหลายๆลคืนก็จะได้บุญหลายๆหลายๆต่ออย่ามารอสวดแค่คืนเดียว มันน้อยไปคนจะสวดทุกคืนถึงจะได้บุญมากเหมือนกินข้าวอย่า ก, กินวันเดียวอย่ามารอกินวันส่งท้ายต้อนรับปีใหม่เดี๋อีกสามบสวันไม่ยอมกินจะ อ, อดตายเพราะบุญนี้เป็นเหมือนอาหารของใจนั้นคนจะสวดทุกคืนอย่าอย่ามาสวดเฉพาะวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วไม่ต้องไปสวดที่วัดสวดที่บ้านเนี่ยก่อนจะนอนเนี่ยสวดไป คำถามถัดมาครับกาบเรียนพระอาจารย์ครับผมมีปัญหาด้านการภาวนาเรื่องจิตรนเรกับคำบริกรรมกับลมหายใจครับใจผมชอบคำบริกรรมยาวๆรู้สึกขัดที่หน้าอกบริเวณลิ้นปี๊จี้ลงไปจิตติ ด, ตดกับคำบริกรรมดีแต่มักรำคาญลมหายใจรู้สึกว่าลมหายใจรบกวนการบริกรรมครับเปลี่ยนมากำหนดคำบริกรรมสั้นๆพุโทโธพร้อมลมหายใจใจรู้สึกไม่ราคาญลมหายใจ แต่ใจไม่นิ่งเท่าบริกรรมยาวๆรู้สึกสบายรับรู้ที่กลางและอกแต่ไม่ชัดเท่าบริกรรมเฉยเฉยๆแล้วจี้ลงที่หน้าอกบริกรรมควบลมหายใจได้เฉพาะตอนนั่งเท่านั้นเวลาเดินหรือทํากิจกรรมอื่นไม่สามารถกําหนดได้เลยครับแต่ถ้าบริกรรมยาวๆจะทําได้ครับคําบริกรรมลอยลวนเลลมหายใจรนเรไม่สามารถตั้งจิตให้มีสมาธิต่อเนื่องได้ครับกราบนมัสการขอบคุณพระอาจารย์ที่เมตตาครับเพราะเราใช้ไม่ถูกไม่ถูกกับการละเทสะ เหมือนกับใช้เครื่องมือไม่ถูกกับสิ่งที่เราต้องใช้เวลาใช้ค้อนเราไปใช้ขวานอย่างนี้มันก็จะไม่ได้ผลดีนั้นคำบริการนี้จะเหมาะกับตอนที่เราไม่ได้นั่งเช่นเราทำงานทำการเดินไปไหนมาไหนเดินจงกรมนี้แล้วก็บริกรรมไปไม่ต้องดูลมไม่ต้องใช้ลมถ้าไปใช้ลมด้วยมันจะเรื่องมากเพราะไหนจะต้องเดินไหนจะต้องบริกรรมไหนจะต้องดู มันก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาได้ดังนั้นถ้าเราจะใช้คาบริกรรมขอให้ใช้ตอนที่เราเดินจงกรมนึกทาอะไรอยู่ใช้คาบริกรรมได้ส่วนการดูลมนี่ควรจะดูเฉพาะเวลาที่เรานั่ง เ, ออเวลานั่งนี้จะสามารถเห็นลมได้ชัดจะดูลมอย่างเดียวไม่ต้องบริกรรมก็ได้ดูที่กลาง อ, อกก็ได้ดูว่ามันหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆไม่ต้องบริกรรมกากับไปก็ได้ หรือถ้าไม่อยากจะใช้ลมจะใช้คมบริกรรมอย่างเดียวก็ได้นั่งแล้วก็บริกรรมไปจะบริกรรมสั้นบริกรรมยาวก็ได้อันนี้มันต้องรู้จักวิธีใช้บางทีเราไปศึกษามาคนนั้นเขาใช้แบบนั้นเราก็จะไปใช้แต่เขาไม่บอกว่าเขาใช้แบบนั้นตอนไหนพอเรามจะมาใช้เร า, าใช้จะใช้มันตลอดทุกเวลามันไม่ได้มันต้อง ร, รู้จักวิธีใช้เวลาใช้ที่เหมาะสมกับสิ่งที่เราใช้อยู่ ดังนั้นถ้าคำบริกรรมนี้ใช้ได้ตลอดไม่ว่าจะเดินหรือจะนั่งแต่ถ้าจะดูลมนี้ต้องดูตอนที่เรานั่งแล้วจะมีคำบริกรรมพุทธกรรมกลับด้วยหรือไม่ก็ได้แล้วแต่ความถนัดถ้าจะดูลมอย่างเดียวไม่บริกรรมก็ได้บริกรรมก็ได้อย่างไหนที่มันได้ประโยชน์ได้ผลดีเราก็เอาอย่างนั้นก็แล้วกันคำถามผัดมาจากท่านแทนครับกราบนวัตการพระคุณเจ้า มีสวดมนต์ข้ามปีไหมครับมีแนวทางอย่างไรผมอยากฝากโยมที่ชมบุรีที่วัดท่านด้วยครับก็วัดเขาคนนี้เขาก็มีจัดเยเห็นเขาติดประกาศอยู่มีจัดมาทุกปีก็ใบสวดมนต์ที่ในโบสถ์กันสวดมนต์ในโบสถ์สวดมนต์ที่บ้านก็เหมือนกันเพราะผลก็คือใจที่จะมีสติใจที่จะไม่วุ่นวายใจที่จะสงบก็เป็นบุญขึ้นมา คำถามท่านมาจากคุณนัท น, นะครับกราบมั ส, สการพระอาจารย์สอบถามการปฏิบัติธรำสมาธิขั้นต้นค่ะก็เนี่ยที่พูดมานี่ก็เป็นเรื่องสมาธิขั้นต้นตลอดนั้นขอให้ลองไปฟังดูก็แล้วกันโดยหลักก็คือให้มีสติต้องมีอะไรกํากับควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดนั้นจะต้องควบคุมตั้งแต่ก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิต้องฝึกสติคอยควบคุมความคิดโดยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไป หรือคอยดูงานที่เรากำลังทำอยู่กับร่างกายให้อยู่กับที่ร่างกายอย่าไปให้ไปไหนอย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นเราก็จะมีสติแล้วพอเรานั่งเราก็นั่งหลับตาแล้วเราจะใช้คำบริกรรมก็ได้ใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้คาถามจากคุณมณสวีนะครับกราบขอเมตตาขอการวางใจ ลูกยืมเงินพ่อแม่มาลงทุนซื้อที่ดินแล้วติดขัดขายไม่ได้มาเจ็ดปีทำให้มีหนี้งอกเพิ่มขึ้นมากเมื่อขายแล้วก็ยังไม่พอใช้หนี้คืนให้กับพ่อแม่ลูกทุกใจในการลงทุนที่ผิดพลาดครั้งนี้และทำพ่อแม่ทุกใจลูกจะมีการวางใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได้อย่างไรคะก็ไปคุยกับพ่อแม่ว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยก็ขอพักหนี้ไว้ก่อนจนกว่าจะรวยมีจนกว่าจะมีเงนินก็จะขอใช้หนี้ต่อไปอ แต่อย่าไปทุกข์ใจเพราะทุกข์อย่างไงมันก็ไม่ได้ทำให้ปัญหาคืนหนี้มันหายไปอย่างน้อยเราก็ทําใจให้สบายด้วยการยอมรับว่าเราผิดพลาดหรือว่า เ, เหตุการณ์มันทําให้เกิดการผิดพลาดขึ้นมาเป็นเรื่องสุดวิสัยก็ไปคุยกับเจ้าหนี้คือพ่อแม่พ่อแม่เขาคงจะไม่เอาเรื่องราเราหรอกเพราะเขารักเราเขาอยากจะช่วยเหลือเราอยู่แล้วก็บอกไปตามความเป็นจริง แล้วก็จะพยายามหาเงินมาใช้ถ้ามีก็จะมาใช้ให้ก็ทำได้เท่านี้แหละแต่อย่าไปทุกข์ใจให้เสียเวลาทุกไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคำถามจากคุณสมทรงครับคำว่าร่างทรงทรงเจ้านั้นผมไม่เชื่อแต่ทำไมยังมีคนอีกมากที่เชื่อครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความงมงายของคนคนที่ไม่มีปัญญาคนที่ไม่ได้สัมผัสรับรู้ความจริงว่าเป็นอย่างไร เขาก็เลยเชื่อง่ายบางคนยังเชื่อว่าโลกนี้แบนอยู่นั้นก็เป็นเรื่องของคนที่ไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาถ้าได้มีการศึกษาล่ำเรียนก็จะทำให้ความเชื่อแบบงมงายนี้มันหายไปได้คำถามจากคุณพนยินุศนะครับเรียนถามผู้อาจารย์คนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบอยู่เสมอการงดอาหารมื้อเย็นทาให้มีอาการปวดท้อง ควรปฏิบัติอย่างไรคะช่วงที่ถือศีลแปคือการถือศีลแปดนี่มันไม่ได้เป็นเหตุทําให้ร่างกายเป็นโรคกระเพาะขึ้นมาโรคกระเพาะมันเกิดจากการรับประทานอาหารไม่เป็นเวลามากกว่าเพราะฉะนั้นถ้ายังถ้ายังเป็นโรคกระเพาะอยู่ถือศีลแปดไม่ได้ก็ถือศีลเจ็ดไปก่อนแล้วกันแล้วก็ไปรักษาโรคกระเพาะให้หายแล้วค่อยถือมาถือเพิอมเพิ่มอีกข้อนึง ข้อสินเจ็ดก็กินให้มันน้อยลงไปก็แล้วกันอเอใคยกินสามชามก็ลดเหลือแค่ครึ่งชามก็พอกินพอให้มันเออยู่ได้อกินเพื่อไปเคลือบกระเพาะก็ว่าไปเพื่อจะกินยาอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรก็ยังได้สินเจ็ดครึ่งก็แล้วกันไม่ได้สิน <laughs> กราบนะมัสการพระอาจารย์ชื่อสุจิตราได้มีโอกาสฟังธรรมเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าธันวาหกศูนย์ มีข้อสงสัยเรื่องสภาพร่างกายกับสภาพจิตใจที่ไม่ตรงกันคือร่างกายเป็นหญิงแต่ใจเป็นชายขอพระอาจารย์ที่ไปบบเพิ่มเติมคะ่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงค่ะไม่เข้าใจให้อธิบายอะไรนะร่างกายเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงที่เราเราอยู่ในสังคมที่เขามีมาตรฐานว่าเราจะต้องทําตัวของเราให้เหมาะสมกับเพศของเราเราก็ต้องจําใจทั้งทำไปเวลาเราอยู่ต่อหน้าสาธารณชน เราก็ทําตัวเป็นผู้ชายไปถ้าใจเราเป็นผู้หญิงแต่เราก็อย่าไปทําตัวเป็นผู้หญิงนั่นั่นเองอันนี้ถ้าเราอยากจะอยู่กับสังคมอย่างปกติสุขเพราะถ้าเราทําตัวที่ผิดไปจากสังคมก็จะมองเราว่าเราเป็นคนเพี้ยนเป็นคนเสียสติจะทําทให้เขาไม่มีความเชื่อถือในตัวเรามีความหวาดระแวงในตัวเราจะทําให้เราอยู่กับสังคมได้ยาก mm. ความจริงมันเป็นยังไงก็ไม่ไกล ปฏิเสธหรอกถ้าเราใจเราเป็นหญิงแต่ร่างกายเราเป็นชายเพียงแต่ว่าคนในสังคมเขาไม่มีปัญญาพอที่จะแยกแยะสิ่งเหล่านี้ได้เขาจะดูความประพฤติตามกฎมาตรฐานที่เขามีกำหนดไว้ผู้หญิงก็ต้องทำตัวอย่างหนึ่งผู้ชายก็ต้องทำตัวอย่างหนึ่งฉั้นถ้าเราจะไปเข้าสังคมกับเขาเราก็ต้องทำตัวให้เข้ากับสังคมเขาไม่เ่นั้นเราก็ต้องไปเข้าสังคมของพวกเรากันพวกที่ อใจเป็นหญิงร่างกายเป็นชายแล้วก็แต่งเนื้อแต่งตัวเป็นผู้หญิงอะไรก็ทําได้แต่เราต้องอยู่ในกลุ่มของเราแต่ถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มของคนที่เขาเป็นหญิงก็ต้องเป็นหญิงเป็นชายก็ต้องเป็นชายเราก็ต้องถ้าเราอยากจะไปเข้ากลุ่มนั้นเราก็ต้องทําตัวให้เหมือนกับเขาเท่านั้นเองเพื่อเราจะได้อยู่อย่างไม่มีปัญหา คำถามถัดมานะครับออขอถามพระอาจารย์ครับผมพอจะมีบุญไหมครับที่ได้ฟังธรรมพระอาจารย์ครับขอบคุณครับสาธุครับ อ, อก็น่าจะมีนะเพราะว่า เ, เพราะฟังธรรมมันก็จะได้บุญได้ความรู้ความฉลาดความรู้ความฉลาดนี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเรียกว่าปัญญาสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นบุญที่สําคัญที่สุดเพราะจะนําไปสู่บุญอย่างอื่นต่อไป จากคุณภาวินีครับช่วงปีใหม่นี้โยมต้องกลับมาทําหน้าที่ของบุตรที่ดีต่อพระคุณมารดาแต่โยมก็ติดตามคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ตลอดเวลาโยมหวังว่าสวรรโยมจะสามารถเดินรอยตามพระคุณเจ้าเมื่อโอกาสนั้นมาถึงขอให้ช่วงปีใหม่นี้ขอให้พระอาจารย์มีธาตุขันธ์ที่แข็งแรงนะเจ้าคะ่ะสาธุตอนสาธุขอให้สุขสมหวังตามความปรารถนาเทิดจากคุณลาวันนะครับเรียนถามอาจารย์ฝากถามให้ลูกคะ่ะคนที่ใช้เงินเกิ น, กนความพอดี จะละความอยากได้อย่างไรเพราะว่ามันติดสันดาลแล้วค่ะก็มันก็มีหลายวิธีก็คือต้องล็อกจํานวนเงินที่เราจะใช้ไว้กําหนดว่าเดือนนี้เราจะใช้เท่านี้แล้วเราก็เอาเงินที่เหลืออยู่นี้ไปฝากคนอื่นอย่าไปแต่ก็ต้องระวังไปฝากคนที่ไม่ไว้ใจเดี๋ยวเขาก็เขาก็เอาไปกินหมดอเองนั่นมันอยู่ที่วินัยของเราเราต้องมีความอ จริงใจกับตัวเราพะระเจ้าบอกว่าจะทำอะไรสําเร็จนี้ต้องมอีสัจจะอธิษฐานต้องตั้งสัจจะอธิษฐานอธิษฐานคือความตั้งใจสัจจะคือความจริงใจว่าต่อไปนี้เราจะใช้เงินแค่นี้ถ้าเกินนี้เราจะไม่ใช้ถ้ายังหักถ้าควบคุมใจไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เพราะไม่มีใครจะมาควบคุมเราได้อืคําถามจะคุณออมเงินครับ กับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลานั่งปฏิบัติทําไมปวดท้ายทอยคะขอเมตตาอธิบายเจ้าค่ะ อ, อร่างกายมันก็เป็นปกติที่จะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เพียงแต่ว่าเวลานั่งสมาธิมันจะรับรู้มากเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเจ็บที่ใจเวลานั่งสมาธิใจมันจะไม่อยากนั่งพอมไม่อยากนั่งมันก็เลยเกิดความเจ็บที่ใจมันก็เลยไปทําให้ความเจ็บที่ร่างกายนี้ขยายขึ้นมาซึ่งความจริบมันเป็นความรู้สึกเท่านั้นเอง เพราะว่าถ้าเรานั่งดูหนังฟังเพลงนี่ความเจ็บเรานั้นแทบจะหายไปเลยเพราะใจเราไม่ไปสนใจกับมันใจเราไม่ไปขยายมันเพราะเราชอบนั่งถ้าเราต้องถ้าเรานั่งแล้วเราเราชอบในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เราชอบเราจะนั่งไปได้นานจะไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่ถ้าเรานั่งในเราทําในสิ่งที่เราไม่ชอบคือไม่ได้ทําอะไรเนี่ยมันจะเกิดความเจ็บปวดทางจิตใจขึ้นมาแล้วมันก็จะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าความเจ็บปวดทางร่างกายมัน ใหญ่โตขึ้นมาตามความจริงมันก็เท่าเดิมเหมือนกับเร า, เาแว่นขยายไปดูเราเห็นของด้วยตาเปล่ามันตัวนิดเดียวพอเราเอาแว่นขยายไปดูมันกลายเป็นตัวมันเริ่มขึ้นมาอ่า น, นั้นเองตัวที่เราขยายมันก็เท่าเดิมขนาดเท่าเดิมเพียงแต่พอเรามีแว่นขยายไปดูมันก็เรรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นก็เหมือนกันกับความเจ็บของทางร่างกาย พอเราเกิดความเจ็บทางใจขึ้นมานี่มันจะเคยทําให้เหมือนกับรู้สึกว่ามีความเจ็บทางร่างกายเพิ่มขึ้นมางั้นอย่าอย่าไปสนใจเวลาเรานั่งสมาธิมันเป็นธรรมดาจะต้องเจ็บตรงนั้นคันตรงนี้ถ้าเรามีสติจดจ่ออยู่กับการภาวนาเช่นอยู่กับพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวอาการเหล่านั้นมันก็จะหายไปคําถามถัดมานะครับเมตตาครัพระอาจารย์ซื้อเล่าให้คนอื่นกินบาปไหมครับ เราไม่บาปอะเพียงแต่ว่าเราส่งเสริมเขาให้ได้ทำบาปเท่งนันเองถ้าเราไม่อยากจะให้เขาทำบาปเพราะจะทำให้เขาเสียหายต่อไปเช่นเราซื้อสุรามาให้เขาดื่มแล้วเขาไปขับรถชนคนตายเดี๋ยวเขาก็ต้องไปติดคุกติดตารางขึ้นมาคำถามถัดมานะครับบวชเพราะไปบนบานมาเหมาะสมไหมครับการบวชนี่ก็มันดีทั้งนั้นนะ่ะเพียงแต่ว่าบวช ด, ด้วยเหตุดถ้าบวช ด, ด้วยบนบานก็บวชเดียวเดียว บวแก้บวนมันก็จะไม่ได้ประโยชน์มากจะได้ประโยชน์มากต้องบวชเพราะเห็นบวชอยากจะหนีความทุกข์อยากจะหนีการเกิดแก่เจ็บตายอันนี้การเป็นการบวชเป็นเหตุผลที่แท้จริงถ้าบวชแบบนี้แล้วก็จะไม่สึกบวชแบบพระพุทธเจ้าบวชแบบพระอรหันต์ก็จะได้เป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้ากันได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกัน คำถามมาจากคุณภาวินีนะครับพระอาจารย์คะที่บ้านมีงานบุญเอาปลาสดๆมาขังไว้เพื่อรอค่าโยมเห็นแล้วแต่ไม่กล้าขัดกลัวจะมีปัญหากันเราจะบาปหรือเปล่าคะโยมไม่สบายใจเลยคะ่ะถ้าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยคือเราไม่ไปสั่งเขาเราไม่ได้ทำเองเราก็ไม่บาป คำถามจ้าคุณสันตินครับเวลานั่งสมาธิแล้วมีภาพปร า, ปากฏมากมายควรปฏิบัติอย่างไรตอบอย่าไปสนใจคนให้มีอะไรกํากับใจคนจะมีลมหายใจดูลมหายใจไปหรือพุโทโธไปอย่าไปสนใจกับภาพต่างๆอาการต่างๆที่ปรากฏให้เรารับรู้มันเป็นของปลอมของหลอกมันจะทําให้เราเสียสมาธิเสียสตินั้นอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอยู่กับลมหายใจไปแล้วเราจะ ใจเราจะไม่วุ่นวายใจเราจะไม่หลงใจเราไม่เสียสติใจเราจะสงบแล้วจะมีความสุขครับคำถามจากคุณพาคิ น, นครับกล่าผพระอาจารย์ครับผมเดินจงกรมหลายชั่วโมงจนจิตสว่างไม่รู้สึกว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืนนี่คืออะไรครับก็จิตสงบเนยถ้าเราเดินจงกรมแล้วมีสติกำกับใจเด้๋ยวจิตมันก็จะสงบสว่างสว่ขึ้นมา แล้วก็มีความสุขไม่รู้สึกเมื่อยเวลาเดินมาหลายๆายชั่วโมงแต่พอจิตสงบแล้วมันเหมือนลอยอยู่บนอากาศคำถามถัดมาจากคุณจงสินีพระอาจารย์คะหนูเคยหลงไปนับถือครว่าท่านหนึง่งที่เปิดบ้านปฏิบัติธรรมแล้วเ้าเน้นแต่เรื่องกรรมที่ไม่ดีที่เราทำมาจนเราเครียดทุกตอนหลังหนูเลยไม่สนใจจะนับถือหนูทาถูกหมคะเพราะเราไม่ควรนึกถึงเรื่องในอดีตที่มาตอกย้า <c oughs> ก็ถูกะเพราะว่า ไม่ควรที่จะไปคิดมากอดีตที่ผ่านมาแล้วทำอะไรมันไม่ได้เราต้องรอรับผลของกรรมที่เราทำในอนดีตเท่านั้นเองแล้วเราก็เอากรรมในอนดีตมาสอนเราว่าต่อไปเราอย่าทำอีกเพราะทำแล้วมันจะทำให้เราทุกข์แบบนี้ถ้าเราไม่ทำต่อไปความทุกข์จากกรรมที่ไม่ดีก็จะไม่เกิดคำถามจัดมานะครับเวลาจะสร้างบุญกุศล น, นั่งสมาธิสวดมนต์ ทำไมทุกครั้งถ้าตั้งใจจะต้องมีเหตุให้ไม่ได้ส่วนในหลายๆครั้งเจ้าคะ่ะ <ED> ก็ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราไม่มีความตั้งใจจริงถ้ามีความตั้งใจจริงยังไม่เหตุอะไรเราก็ปฏิเสธไปได้แล้วก็ลุยต่อไปไในเวลาเราจะไปเที่ยวมันเห็นมีเหตุเลยเพราอมีอะไรมีเหตุเราก็ปฏิเสธมันไปตัดมันไปใช่ไหมแต่พอเราจะสวดมนต์จะทําบุญนี่มันพอมีเหตุอะไรนิดหน่อยอ้างเป็นเหตุใหญ่ขึ้นมาเลยมันก็เลย <laughs> ทำไม่ได้เพราะกิเลสใจเราไม่ชอบทำอยู่แล้วมันกำลังหาเหตุอยู่พอดี <laughs> คำถามทั้งบ้านน่าจะหมดแล้วขอบพระคุณฮาอาจารย์หมดแล้วเหยอยังเหลืออีกประมาณหกเจ็ดนาทีถ้าใครฟังแล้วอยากจะถามไม่กล้าถามเองก็เขียนข้อความเข้ามาถามได้นะไม่มีอะไรถามตอนนี้เดี๋ยวก็จะหาอะไรพูดต่อไปก็พูดเรื่องทาบุญเนี่ย ทำบุญนี่มันง่ายเหมือนเดินลงไอ้ทำบุญนี่มันยากเหมือนเดินขึ้นเขาทำบาปนี่มันง่ายเหมือนเหมือนเดินลงเขาเพราะมันเป็นความถนัดของเราเราถนัดในการทำบาปมากกว่าการทำบุญเราจึงยังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดมารับผลผลบาปต่างๆของเราอยู่แต่ถ้าเราเราเปลี่ยนนิสัยได้ทำบุญ ง่ายขึ้นได้ด้วยการพยายามฝืนบังคับใจทำบ่อยๆทำเรื่อยๆต่อไปสิ่งที่ยากมันก็จะกลายเป็นง่ายเองงั้นอย่าท้อแท้ถ้าอยากจะทำบุญพยายามทำไปเอาสองไมโครโฟนไปเลยก็ได้มีคาถามครับถ้าเกิดถ้าเกิดอยากจะบวชตลอดชีวิตตอนโตแล้วแบบมีภาระที่ต้องดูแลล่ะครับแปลว่าพ่อแม่ไม่อยากให้บวชน ะ, ะต้องทำยังไงครับ ก็ถ้าพ่อแม่ไม่มีรูกพ่อแม่เขาอยู่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจทำไมไม่แน่ใจนะอืมพ่อแม่เขาก็อยู่เขาได้คนที่จะบวชนี้ก็มีพ่อแม่ด้วยกันทุกคนพระพุทธเจ้าก็มีพ่อแม่เราก็มีพ่อแม่บวชแล้วเขาก็อยู่ของเขาต่อไปถ้าเกิดเราตายไปวันนี้พ่อแม่เขาจะทํำยังไงนะก็คิดว่าเวลาเราไปบวชเมือนเราตายไปแล้วก็แล้วกัน เขาก็ต no really? no, no, no, no, no, ้องอยู่ต่อไปของเขาเองเขาอยู <cultural meaning> <tra vel> ่ไม่ได้เขาก็ต้องตายยังไงก็ต้องตายอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายไม่ตายวันนี้ก็ต้องตายพรุ่งนี้ยั้ไไม่ต้องกลัวถ้าอยากจะไปบวชไปเลยแล้วดีไม่ดีเราจะกลับมาช่วยเขาได้มากกว่าตอนที่เราไม่บวชซีพระพุทธเจ้าหลังจากบวชแล้วนี่กลับมาช่วยพ่อแม่ได้มากกว่าตอนที่ตอนที่ไม่ได้บวชเพราะถ้าไม่ได้บวชก็ช่วยได้แค่เฉพาะทางร่างกาย แต่ถ้าบวชนี้ช่วยทางด้า น, านจิตใจทำให้จิตใจหลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดได้งั้นไปบวชเถอะไม่ต้องตังวลไม่ต้องกลัวเพราะบวชไม่บวชพ่อแม่ก็ต้องตายอยู่ดีตายชา้าตายเร็วเท่านั้นเองให้คิดอย่างนี้ใช่ไหมจบอียห้านาทีมีคำถามจากทางบ้านเพื่อนครับกราบน้ำมันซอจะ ก, กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ พระอาจารย์คะถ้าเราเจอเร Clear> ื่องเศร้าเจอคนที่น่าสงสารเราควรจะทําอย่างไรคะพอเจอเราก็เศร้าไปด้วยก็เราต้องหัดฝึกอุเบกขาระงับความเศร้าด้วยการยอมรับความจริงว่ามันเป็นกรรมของเขาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนไม่ว่าจะทํากรรมอันใดไว้บุญหรือบาปจะต้องเป็นผู้รับผลของบุญและบาปนั้นตอนนี้เขาตกทุกข์ได้ยากก็เพราะเป็นเป็นวาระที่เขาต้องรับผลบาปของเขา พราะเขาเคยทําบาปมาในอดีตถ้าเราพอจะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือไปถ้าช่วยเหลือไม่ได้เราก็อย่าไปทุกข์กับเขาเพราะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเราต้องฝึกทําใจให้นิ่งให้สงบบ้างเรียกว่าอุเบกขาอุเบกขานี่จะเกิดก็ต่อเมื่อเรามีสติคอยกํากับใจถ้าใจเราเศร้าหมองกับเรื่องของเขาแล้วก็หยุดคิดซะใช้พุโทโธบริกรรมพุโทโธไปพุโทโธพุธโทโธอย่าไปคิดถึงเขา เดี๋ยวพอเราไม่ได้คิดถึงเขาความเศร้าใจของเราก็จะหายไปมีคําถามครับเพิ่งเปิดดูท่านอาจารย์ค่ะขอถามเรื่องการสวดมนต์ข้ามปีเจ้าค่ะทุกปีจะได้ไปแต่ปีนี้อาจจะไม่ได้ไปเพราะอาจจะอยู่ในระหว่างการเดินทางไปวัดโยมเดินทางไปสวดไปคงจะได้บุญเหมือนกับอยู่ที่วัดหรือเปล่าเจ้าค่ะได้สวดที่ไหนได้บุญทั้งนั้นอยู่ในร้อก็สวดได้ เดินทางไปวัดยังไม่ถึงเวลาสวดเราสวดไปก่อนก็ได้ยังไม่ถึงวัดเราก็สวดไปก่อนการสวดนี้ได้ประโยชน์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพราะผู้ได้รับประโยชน์และผู้สวดนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่เพราะผู้สวดนี้อยู่ที่ใจใจสวดได้ที่ไหนสวดได้ทุกที่สวดตรงไหนก็จะได้ผลตรงนั้นได้บุญตรงนั้นทันทีนั้นสวดได้ไม่ต้องรอสวดตอนข้ามคืนอย่างเดียวสวดมันทั้งวันได้ยิ่งดีหรือสวดมันทุกคืนได้ยิ่งดี อย่ามาสวดเฉพาะปีละครั้งเพราะเหมือนกับรับประทานอาหารปีละครั้งมันจะทําให้เราหิวโหวยหิวโซอยู่ตลอดเวลาการที่ใจเรามีความอยากตลอดเวลาก็เพราะว่าใจเราไม่มีบุญไม่มีความสงบนั่นเองถ้าเราสวดวนทุกคืนทุกวันนี้รับรองได้ว่าความหิวโหวยความอยากได้สิ่งต่างๆมันจะเบาลงไปจะน้อยลงไปมากจะทําให้เราอยู่อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไร